ชูชก บ, บพะวรนนาการนั้นมีพรามคนหนึ่งชื่อว่าชูชกเป็นชาวบ้านพรามชื่อทุนนิวิทธะในกาลิงครัตเที่ยวพิกขาจารได้ทรัพย์หนึ่งร้อยกะหาปณะนะฝากไว้ที่สกุลพรามแห่งหนึ่งแล้วไปเพื่อสแสวงหาทรัพย์อีกเมื่อชูชกไปช้านานสกุลพรามนั้นก็ใช้กะหาปณ ะ, ะเสียหมด ภายหลังชูชกกลับมาทวงก็ไม่สามารถจะให้ทรัพย์นั้นจึงยกธิดาชื่อนางอมิตตาปนาให้ชูชกไปชูชกจึงพานางอมิตตาปนาไปอยู่บ้านพราหมณ์ชื่อทุนนิวิทธะในกาลิงครัตนางอมิตตาปนาได้ปฏิบัติพราหมณ์อย่างดีครั้งนั้นพวกพราหมณหนุ่มๆเหล่าอื่นเห็นอาจาระสมบัติของนาง จึงคุกคามภรรยาของตนของตนว่านางอมิตรตาปนานี้ปฏิบัติพราหมชะราอย่างดีพวกเจ้าทำไมละเลยต่อเราทั้งหลายภรรยาพราหม์เหล่านั้นจึงคิดว่าพวกเราจะยังนางอมิตรตาปนานี้ให้หนีไปเสียจากบ้านนี้คิดชะนี้แล้วจึงไปประชุมกันดานางอมิตรตาปนาที่ท่าน้าเป็นต้น พระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่ามีพรามชื่อว่าชูชกอยู่ในเมืองกลิงครัตภรรยาของพรามนั้นเป็นสาวมีชื่อว่าอมิตตาตาปนาถูกพวกหญิงในบ้านนั้นซึ่งพากันไปตักน้ำที่ท่าน้ำมารุมกันด่าว่าอยู่อื้ออึงว่ามารดาของเจ้าคงเป็นศัตรูเป็นแน่ และบิดาของเจ้าก็คงเป็นศัตรูแน่นอนจึงได้ยกเจ้าซึ่งยังเป็นสาวรุ่นดรุณีให้แก่พราหมชาราเห็นปานี้ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเลยหนอที่พวกญาติของเจ้าแอบปรึกษากันยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวรุ่นรุ่นให้แก่พราหมเท่าเห็นปาณ้เป็นความชั่วที่พวกญาติของเจ้าแอบปรึกษากัน ยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวรุ่นรุ่นให้แก่พรามเท่าเห็นปานนี้เป็นความลามกมากหนอที่พวกญาติของเจ้าแอบปรึกษากันยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวรุ่นรุ่นให้แก่พรามเท่าเห็นปานนี้ไม่น่าพอใจเลยหนอที่พวกญาติของเจ้าแอบปรึกษากันยกเจ้าซึ่งยังเป็นสาวรุ่นรุ่นให้แก่พรามเท่าเห็นปานนี้ เจ้าคงไม่พอใจอยู่กับผัวแก่การที่เจ้าอยู่ในเรือนของพรามเท่าเจ้าตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่แน่แม่คนงามคนสวยมารดาและบิดาของเจ้าคงหาชายอื่นให้เป็นผัวไม่ได้แน่จึงยกเจ้าซึ่งยังเป็นสาวรุ่นรุ่นให้แก่พรามเท่าเห็นปานนี้เจ้าคงจับบูชายันไว้ไม่ดีในดิถีที่ก้า คงจับไม่ได้ทำการบูชาไฟไว้มารดาบิดาจึงยกเจ้าซึ่งเป็นสาวรุ่นรุ่นให้แก่พรามเท่าเห็นปานนี้เจ้าคงจักดาสมณะพรามผู้มีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าผู้มีศีลเป็นพหูสูตรในโลกเป็นแน่เจ้าจึงได้มาอยู่ในเรือนของพรามแก่แต่ยังสาวรุ่นรุ่นอย่างนี้การที่ถูกงูกัดก็ไม่เป็นทุกข์ การที่ถูกแทงด้วยหอกก็ไม่เป็นทุกข์การที่ได้เห็นผัวแก่นั่นแหลพึงเป็นทุกข์ด้วยเป็นความร้ายกาจด้วยการเล่นหัวย่อมไม่มีกับผัวแก่การรื่นรมย่อมไม่มีกับผัวแก่การเจรจาปราศัยย่อมไม่มีกับผัวแก่แม้การกระซิบกระซี้ก็ไม่งามแต่เมื่อใดผัวหนุ่มเมียสาวย้าหยอกกันอยู่ในที่ลับ เมื่อนั้นความเศร้าทุกอย่างที่เสียแทงหัไทยอยู่ย่อมพินาศไปสิ้นเจ้ายังเป็นสาวรูปสวยพวกชายหนุ่มปรารถนายิ่งนักเจ้าจงไปอยู่เสียที่ตระกูลญาติเถิดพรามแก่จกให้เจ้ารื่นรมได้อย่างไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีอหุได้แก่ได้มีคำว่า อยู่ในกาลิงครัฐวาสีกาลิงเคสุได้แก่เป็นชาวบ้านพราหมุนนิวิทธะแครนกาลิงครัฐข้อว่าถูกพวกผู้หญิงในบ้านนั้นซึ่งพากันไปตานางตัดทะขตาโวจุงความว่าหญิงในบ้านนั้นเหล่านั้นไปตักน้ำที่ท่าน้ำได้กล่าวกับนางอมิตตาตาปนานั้นข้อว่า ดาว่าทิโยนังปริภาสิงสุความว่ายิงเหล่านั้นไม่ได้กล่าวกะใครๆอื่นดานางอมิตรตาปนานั้นโดยแท้แลคำว่าอื้ออึงกุตุหลาได้แก่เป็นประหนึ่งแตกตื่นกันคำว่ามารุมกันสมาคันตวาได้แก่ห้อมล้อมโดยรอบคำว่า สาวรุ่นดรุณีทหะริยังได้แก่ยังเป็นสาวรุ่นมีความงามเลิศคำว่าแกพรามชราชินนัตสุได้แก่ในเรือนของพรามแกเพราะชราข้อว่าเจ้าคงจักบูชายันไว้ไม่ดีในดิถีที่เก้าทุยิฐถันเต น, นวมิยังความว่าเจ้าจักบูชายันไว้ไม่ดีในดีทีที่เก้า คือเครื่องบูชายันของเจ้านั้นจักเป็นของที่กาแก่ถือเอาแล้วก่อนปาฐว่าทุยิฐาเตนวมิยาดังนี้ก็มีความว่าเจ้าคงบูชายันในดิถีที่เก้าไว้ไม่ดีข้อว่าคงจักไม่ได้ทำการบูชาไฟไว้อากตังอาิหุตตะกังได้แก่ แม้การบูชาไฟจากเป็นของที่เจ้าไม่เคยกระทาแล้วคำว่าคงจักดาอภิ ษ, ษสะสิความว่าดาสมณพรามผู้มีบาปอันสงบแล้วหรือผู้มีบาปอันลอยแล้วยิงทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ด้วยความประสงว่านี้เป็นผลแห่งบาปของเจ้านั้นข้อว่าแม้การกระสิบ ก, กระสีก็ไม่งาม ชักคิตามปินโสพติความว่าแม้การหัวเราะของคนแก่ที่หัวเราะเผยฟันหักย่อมไม่งามข้อว่าความเศร้าทุกอย่างย่อมพินาศไปสิ้นสัพเพโสกาวินัสั น, สนติความว่าความเศร้าโศกของเขาเหล่านั้นทุกอย่างย่อมพินาศไปคำว่าพรามแก่ได้อย่างไรกิงชินโน ความว่าพราหมณ์แก่คนนี้จักยังเจ้าให้รื่นรมด้วยการมาคุณห้าได้อย่างไรนางอมิตตาปนาได้รับบริพาธจากสำนักนางพราหมณีเหล่านั้นก็ถือหม้อน้าร้องไห้กลับไปเรือนครั้นชูชกถามว่าน้องหญิงเธอร้องไห้ทำไมเมื่อจะแจ้งความแก่ชูชกจึงกล่าวคาถานี้ว่า ข้าแต่ท่านพรามฉันจะไม่ไปตักน้าที่แม่น้าเพื่อท่านอีกต่อไปเพราะพวกผู้หญิงชาวบ้านมันรุมด่าฉันเหตุที่ท่านเป็นคนแก่เนื้อความแห่งคาถานั้นว่าข้าแต่พรามพรามณีทั้งหลายบริพาทฉันเพราะท่านแก่เพราะฉะนั้นจำเดิมแต่นี้ไปฉันจะไม่ไปสู่แม่น้ำตักน้ำมาให้ท่านชูชกกล่าวว่า แน่นางผู้เจริญเธออย่าได้ทําการงานเพื่อฉันอย่าตักน้ำมาเพื่อฉันฉันจะตักน้ำเองเธออย่าโกรธเลยบรรดาคาเหล่านั้นคาว่าจักตักน้ำอุทกะมาหิสังความว่าฉันจะนำน้ำมาเองพระมณีอมิตตตาปนากล่าวว่า ฉันไม่ได้เกิดในสกุลที่ใช้สามีให้ตักน้ําท่านพรามขอท่านจงรู้อย่างนี้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านถ้าท่านจะไม่นําทาตหรือทาสีมาให้ฉันท่านพรามท่านจงรู้อย่างนี้ฉันจะไม่อยู่ในสํานักของท่านบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าฉันไม่ได้นาหังตมหิความว่า ฉันไม่ได้เกิดในตระกูลที่ใช้สามีให้ทำการงานคำว่าท่านยังตวังความว่าฉันไม่ต้องการน้ำที่ท่านจกนำมาชูชกกล่าวว่าแน่พรามณนีศิลปกรรมหรือทรัพย์และข้าวเปลือกของฉันไม่มีฉันจะนำทาดหรือทาสีมาให้เธอแต่ที่ไหน ฉันจับบำรุงเธอเธออย่ากโกรธเลยนางอมิตตาปนาอันเทวดาโดนใจกล่าวกับพรามชูชกว่ามานี่เถิดฉันจะบอกแก่ท่านตามคำที่ฉันได้ฟังมาพระเวสสันดรราชฤาษีนั้นประทับอยู่ที่เขาวงกฏท่านพรามท่านจงไปทูลขอทาตและทาสีกับพระองค์เมื่อท่านทูลขอแล้ว พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์จากพระราชทานทาตและทาสีแก่ท่านบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่ามานี่เถิดฉันจะบอกแก่ท่านเอหิเตอหะมักขิสสังความว่าฉันจะบอกแก่ท่านนางอมิตตาปนานั้นถูกเทวดาดนใจจึงกล่าวคำนี้ชูชกกล่าวว่าฉันเป็นคนชราทุกพลภาพ ทั้งหนทางก็ไกลไปได้แสนยากเธออย่ารำพันไปเลยอย่าเสียใจเลยฉันจะบำรุงเธอเธออย่ากโกรธเลยบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าฉันเป็นคนชราชินโนหมัสมิความว่าแน่นางผู้เจริญฉันเป็นคนแก่จกไปอย่างไรได้พรามณีอมิตตาปนากล่าวว่า คนขาดยังไม่ทันถึงสนามรบไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้ฉันใดท่านพราหมยยังไม่ทันได้ไปก็ยอมแพ้ฉันนั้นถ้าท่านพราหมจจะไม่นำทาตหรือทาสีมาให้ฉันขอท่านจงทราบไว้อย่างนี้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านฉันจะ ก, กระทาอาการไม่พอใจให้แก่ท่านข้อนั้นจะเป็นความทุกข์ของท่าน ในคราวมหระศพซึ่งมีในต้นฤดูนักขัตฤกท่านจักได้เห็นฉันผู้แต่งตัวสวยงามรื่นรมอยู่กับชายอื่นๆข้อนั้นจักเป็นทุกข์ของท่านแน่ท่านพรามเมื่อท่านซึ่งเป็นคนแก่รำพันอยู่เพราะไม่เห็นฉันร่างกายที่งอ ก, ก็จักงอกยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จักงอกมากขึ้นบรรดาคําเหล่านั้น คำว่าอาการไม่พอใจให้แก่ท่านอมนาปันเตความว่าเมื่อท่านไม่ยอมไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอทาตและทาสีมาฉันจะกระทากรรมที่ท่านไม่ชอบใจข้อว่าในคราวมหโหระพซึ่งมีในต้นฤดูนักขัตเตรเกนักขัตเตอุตุปุเพสุความว่า ในงานมหรสพที่เป็นไปด้วยสามารถที่จัดขึ้นในคราวนักขัตฤกษ์หรือด้วยสามารถที่จัดขึ้นประจำฤดูการในบรรดาฤดูการทั้งหกชูชกพรามได้ฟังดังนั้นก็ตกใจกลัวพระศาสดาเมื่อจกทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพรามชูชกนั้นตกใจกลัว ตกอยู่ในอำนาจของนางพรามณีถูกการมาราคบีบคั้นได้กล่าวกับนางพรามณีว่าแน่นางพรามณีเธอจงจัดสเสบียงเดินทางให้ฉันทั้งขนมงาขนมเทียนขนมที่ทำเป็นก้อนด้วยน้าผึ้งสัตูก้อนสัตูผงและข้าวผอกเธอจงจัดให้ดีฉันจะนำพระพี่น้องสองกุมารมาให้เป็นทาต พระกุมารทั้งสองนั้นเป็นผู้ไม่เกียจคร้านจากบำเรอเธอทั้งกลางคืนกลางวันบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าถูกบีบคั้นอัธิโตได้แก่ถูกกดดันคือถูกเบียดเบียนคำว่าขนมงาสังกุโลได้แก่ขนมที่ทำด้วยงาคำว่าขนมเทียนสังคุลานิจะ ได้แก่ขนมที่ปรุงด้วยน้ําตาลคำว่าศัตรูก้อนศัตรูผงและข้าวผอกศัตรุพัดตังได้แก่ข้าวศัตรูก้อนข้าวศัตรูผงและข้าวผอกคำว่าพระพี่น้องเมทุนเกได้แก่ผู้เช่นเดียวกันด้วยชาติโคตสกุลและประเทศคำว่าสองกุมารมาให้เป็นทาต ภาสะกุมาระเกได้แก่สองกุมารเพื่อประโยชน์เป็นธาตุของเจ้านางอมิตตาปนารีบตระเตรียมสเสบียงและบอกแก่พรามชูชกชูชกซ่อมประตูเรือนทำที่ชำรุดให้มั่นคงหาฟืนแต่ป่ามาไว้เอาหม้อตักน้ำใส่ไว้ในภาชนะทั้งปวงในเรือนจนเต็มแล้วถือเพศเป็นดาบทในเรือนนั้นนั่นเอง สอนนางอมิตตาปนาว่าแน่นางผู้เจริญจำเดิมแต่นี้ไปในเวลาค่ำมืดเจ้าอย่าออกไปนอกบ้านจงเป็นผู้ไม่ประมาทจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วสวมรองเท้ายกถุงย่ามบรรจุสเสบียงขึ้นสะพายบ่าทําประทักสินนางอมิตตาปนามีในตาเต็มด้วยน้ำตาร้องไห้หลีกไป พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพรามชูชกผู้มีเผ่าพันธุ์พรหมกล่าวพร่ำสอนชนีแล้วสวมรองเท้าแต่นั้นพร่ำสั่งเสียทําประทักษินภรรยาสมาทานวัดมีหน้านองด้วยน้ำตาหลีกไปสู่นครอันจเจริญรุ่งเรืองของชาวสีผีเที่ยวสแสวงหาธาตุและทาสี บรรดาคมเหล่านั้นคำว่ามีหน้านองด้วยน้ำตารุนน้ำมุขโขได้แก่ร้องไห้น้ำตาอาบหน้าคำว่าสมาทานวัดสหิตตับพระโตได้แก่มีวัดอันสมาทานแล้วอธิบายว่าถือเพศเป็นดาบทคำว่าเที่ยวจะรังความว่าชูชกเที่ยวสแสวงหาธาตุและทาสี หลีกไปมุ่งสู่พระนครของชาวสีพีชูชกไปสู่นครนั้นเห็นชนประชุมกันจึงถามว่าพระราชาเวสันดรเสด็จไปไหนพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพรามชูชกไปในนครนั้นแล้วได้ถามประชาชนที่มาประชุมกันอยู่ในที่นั้นนั้นว่า พระเวสสันดรราชประทับอยู่ที่ไหนเราทั้งหลายจะไปเฝ้าพระองค์ผู้บรมมกษัตริได้ที่ไหนชนทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นั้นได้ตอบพรามนั้นว่าแน่ท่านพรามพระเวสสันดรบรมมกษัตริถูกพวกท่านเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากไปจึงถูกขับไล่จากเว้นแคว้นของพระองค์เสด็จไปประทับอยู่ณเขาวงกฏ เน่ท่านพราหมณ์พระเวสสันดรบรมกษัตริย์ถูกพวกท่านเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากไปจึงทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จไปประทับอยู่ณเขาวงกฏบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าถูกเบียดเบียนปกตรโตความว่าพระเวสสันดรถูกเบียดเบียนบีบคั้น จึงไม่ได้ประทับอยู่ในพระนครของพระองค์บัดนี้ประทับอยู่ณเขาวงกฏชนเหล่านั้นกล่าวกะชูชกว่าพวกแกทาพระราชาของพวกเราให้พินาศแล้วยังไม่ยืนอยู่ในที่นี้อีกกล่าวชนี้แล้วก็ถือก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นไล่ตามชูชกไปชูชกถูกเทวดาโดนใจ ก็ดำเนินไปตามมักขาที่ไปสู่เขาวงกฎทีเดียวพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพรามนั้นผู้มีความติดใจในกามถูกนางพรามณีตักเตือนได้สวยทุกข์เป็นอันมากในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายเป็นที่เสพอาศัยแห่งแรดและเสือเหลืองแก้ถือไม้เท้าสีเหมือนผลมะตูม อีกทั้งเครื่องบูชาไฟและเต้าน้ำเข้าไปสู่ป่าใหญ่โดยทางที่ตนได้ทราบข่าวพระนอกรัย์ผู้ประธานตามประสงค์เมื่อพรามนั้นเข้าไปสู่ป่าใหญ่ถูกฝูงสุนัขล้อมไล่ตะแกร้องไห้เสียงขมเดินหลงทางห่างออกไปไกลลำดับนั้นพรามผู้โลภในโภคะไม่มีความสำรวม ลงทางที่จะไปสู่เขาวงกฎถูกสุนัขล้อมไล่และนั่งอยู่บนต้นไม้ได้กล่าวคาถาเหล่านี้บรรดาคาเหล่านั้นคําว่าทุกเป็นอันมากอกคันตังได้แก่ทุกนั้นคือทุกที่ติดตามโดยมหาชนและทุกที่จะต้องไปเดินป่าคําว่าเครื่องบูชาไฟอคิหุดตัง ได้แก่ทัพพีเครื่องบูชาไฟข้อว่าถูกฝูงสุนัขล้อมไล่โกกานังปริวารยุงความว่าก่อชูชกนั้นเข้าสู่ป่าทั้งที่ไม่รู้ทางที่จะไปเขาวงกฎจึงหลงทางเที่ยวไปลำดับนั้นสุนัขทั้งหลายของพรานเจตบุตรผู้นั่งเพื่ออารักขาพระเวสสันดรได้ล้อมชูชกนั้น คำว่าตะแกร้องไห้เสียงขลมวิกันทิโสความว่าชูชกนั้นขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งร้องไห้เสียงดังคำว่าเดินหลงทางวิปปันถูได้แก่ผิดทางคำว่าห่างออกไปไกลทูเรปันถาความว่าลีกไปไกลจากทางที่ไปเขาวงกดคำว่า ผู้โลภในโภคะโภคะลุโทโธได้แก่เป็นผู้โลภในลาบคือโภคะสมบัติคําว่าไม่มีความสํารวมอสัญญโตได้แก่ผู้ทุศีลคําว่าหลงทางที่จะไปสู่เขาวงกฏวังกัสโสหารเนนัทโธได้แก่หลงในทางที่จะไปเขาวงกฏ ชูชกนั้นถูกฟงสุนัขล้อมไว้ขึ้นนั่งบนต้นไม้ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าใครเล่าหนอจะพึงบอกราชบุตรพระนามว่าเวสันดรผู้ประเสริฐผู้ทรงชำนะความตรณีอันใครให้แพ้ไม่ได้ทรงให้ความปลอดภัยในเวลามีภัยแก่เราได้พระองค์เป็นที่พึ่งของพวกยาจก ดังธรณีเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราชผู้เปรียบเหมือนแม่ธรณีแกเราได้พระองค์เป็นที่ไปเฝ้าของพวกยาจกดังสาครเป็นที่ไหลไปรวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายฉะนั้นใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราชผู้เปรียบเหมือนสาคอแกเราได้ ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราชผู้ทรงเปรียบเหมือนสระน้ำมีท่าอันงามราบเรียบลงดื่มได้ง่ายมีน้ำเย็นเป็นที่รื่นรมใจดารดาษไปด้วยบุญดริกบัวขาวสะพรั่งด้วยเกสรบัวแกเราได้ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราชผู้เปรียบเหมือนต้นโพที่เกิดอยู่ใกล้ทาง มีเงาร่มเย็นน่ารื่นรมใจเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อนแก่เราได้ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราชผู้เปรียบเหมือนต้นไทรที่เกิดอยู่ใกล้ทางมีเงาร่มเย็นน่ารื่นรมใจเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทาง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 เป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยลา้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อนแก่เราได้ก็เมื่อเราเข้าไปในป่าใหญ่เพ้อรำพันอยู่อย่างนี้ผู้ใดจะพึงบอกว่าเรารู้ผู้นั้นยังความยินดีให้เกิดแก่เราเมื่อเราเข้าไปในป่าใหญ่เพ้อรำพันอยู่อย่างนี้ผู้ใดพึงบอกที่ประทับ ของพระเวสสันดรว่าเรารู้ผู้นั้นพึงประสบบุญเป็นอันมากด้วยวาจาคำเดียวนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้ทรงชันะชยันตังได้แก่ผู้ชนะความตรณีด้วยข้อว่าใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราชแก่เราโกเมเวสันตรังวิทู ชูชคกล่าวว่าใครจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรแก่เราคำว่าเป็นที่พึ่งปฏิทาสิความว่าได้เป็นที่พึ่งอาศัยคำว่าผู้เมื่อยล้าสันตานังได้แก่ผู้อ่อนเพลียคำว่าเหน็ดเหนื่อยกิรันตานังได้แก่ผู้ลำบากในหนทางคำว่าเป็นที่พักอาศัย ปฏิคหังได้แก่เป็นที่รองรับคือเป็นที่พึ่งอาศัยข้อว่าผู้ใดจะพึงบอกว่าเรารู้อหังชานันติโยวัชชาความว่าผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้สถานที่ประทับของพระเวสสันดรพรานเจตบุตรเป็นพรานล่าเนื้อที่เหล่าพญาเจตราช ตั้งไวเพื่ออารักขาพระเวสสันดรเที่ยวอยู่ในป่าได้ยินเสียงคร่ำครวญของชูชกนั้นจึงคิดว่าพรามนี้ย่อมคร่ำครวญอยากจะพบพระเวสสันดรแต่แกคงไม่ได้มาตามธรรมดาคงจะขอพระมาสีหรือพระโอรสพระธิดาเราจะฆ่าแกเสียในที่นี้แหละจึงไปใกล้ชูชกกล่าวว่าตะพราม ข้าจะไม่ไว้ชีวิตแกแล้วยกธนูขึ้นสายคู่จะยิงพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่านายเจตบุตรเป็นพรานเที่ยวอยู่ในป่าได้ตอบแกชูชกนั้นว่าแน่พราหมณ์พระนกสัตย์ถูกพวกท่านรบ ก, กวนเพราะทรงให้ทานมากไปจึงถูกเนระเทศจากแคว้นของพระองค์ มาประทับอยู่ณเขาวงกฎแน่พรามพระนกษัตถ์ถูกพวกท่านรบกวนเพราะทรงให้ทานมากไปต้องทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีมาประทับอยู่ณเขาวงกฎท่านผู้มีปัญญาสามทำแต่กิจที่ไม่ควรทำยังออกจากแว่นแคว้นตามมาถึงป่าใหญ่เที่ยวแสวงหาพระราชบุตร ดุดนกยางเที่ยวหาปลาอยู่ในน้ำฉะนั้นแน่พรามเราจะไม่ให้ชีวิตแก่เจ้าในที่นี้ลูกสรที่เราจะยิงนี้แหละจกดื่มเลือดเจ้าแน่พรามเราจะฆ่าแล้วตัดหัวของเจ้าเชื่อเอาหัวใจพร้อมทั้งไส้พุิแล้วจักปูชาปั้นถาสกุลยันพร้อมด้วยเนื้อของเจ้า แน่พรามเราจะเชื่อหัวใจของเจ้ายกขึ้นเป็นเครื่องเส้นสวงพร้อมด้วยเนื้อมันข้นและมันในสมองของเจ้าแน่พรามข้อนั้นจะเป็นยันที่เราบูชาดีแล้วเส้นสวงดีแล้วด้วยเนื้อของเจ้าเจ้าจากนำพระมเหสีพระโอรสพระธิดาของพระราชบุตรไปไม่ได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่า ทำแต่กิจที่ไม่ควรทํอาอกิจจการีได้แก่แก่เป็นผู้กระทําสิ่งที่ไม่ใช่กิจคําว่าผู้มีปัญญาสามทุมเมโธได้แก่ไม่มีปัญญาข้อว่ายังออกจากแว่นแควนตา ม, มาถึงป่าใหญ่รัฐาวิวนามาคโตได้แก่จากแว่นแควนมาป่าใหญ่ คำว่าลูกศรจากดื่มสโรปาสติความว่าลูกศร น, นี้จักดื่มโลหิตของแกคำว่าฆ่าแล้ววัชยิตตวานะความว่าเราจะฆ่าแกแล้วตัดศีรษะของแกพูดตกจากต้นไม้ให้เหมือนผลตาลแล้วเฉือนเนื้อหัวใจพร้อมทั้งตับไตไส้พุงบูชายัน ชื่อปันฑษสกุลแกเทวดาผู้รักษาหนทางคำว่าเจ้าไม่ได้นะจะตะวังความว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแกจกนำพระมเหสีหรือพระโอรสพระธิดาของพระราชบุตรเวสสันดรไปไม่ได้ชูชกได้ฟังคำของพรานเจตบุตรแล้วก็ตกใจกลัวต่อมรณะภัย เมื่อจะกล่าวมุสาวาทจึงกล่าวว่าแน่เจตบุตรจงฟังเราก่อนพรามผู้เป็นทูตเป็นผู้ไม่ควรถูกฆ่าเพราะเหตุนั้นแหลคนทั้งหลายย่อมไม่ฆ่าทูตนี้เป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาแต่โบราณชาวศรีพีทุกคนหายขัดเคืองแล้วพระบิดาก็ทรงปรารถนาจะพบพระราชบุตร และพระมารดาของพระราชบุตรนั้นทรงทุพพลภาพพระเนตรทั้งสองของพระมารดานั้นจะคุณมัวในไม่ช้าเราเป็นทูตที่ชาวสีพีเหล่านั้นส่งมาแน่เจตบุตรจงฟังเราก่อนเราจะนำพระราชบุตรเสด็จกลับถ้าเจ้ารู้จงบอกขนทางแก่เราบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าหายขัดเครืองแล้ว นิชตาได้แก่เข้าใจกันแล้วข้อว่าพระเนตรทั้งสองของพระมารดานั้นจะคุณมัวในไม่ช้าอาจิราจักคูนิชิยเรความว่าพระเนตรทั้งสองจกเสื่อมโทรมต่อการไม่นานเลยเพราะทรงกันแสงเป็นนิดการนั้นพรานเจตบุตรก็มีความโสมนัสด้วยคิดว่า ได้ยินว่าบัดนี้พราหมณ์นี้จะมาเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับจึงผูกสุนัขทั้งหลายไว้ให้อยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งแล้วให้ชูชกลงจากต้นไม้ให้นั่งบนที่ลาดกิ่งไม้ให้โภชนาหารเมื่อจะทําปฏิสันฐานจึงกล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พราหมณ์ท่านเป็นทูตที่รักของพระเวสสันดรผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้กระบอกน้ำพึ่งและขาเนื้อย่างเป็นบรรณาการแก่ท่านและจักบอกประเทศที่พระเวสสันดรหนอกระัตรผู้ให้สำเร็จความประสงค์ประทับอยู่แก่ท่านบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าปิยสะเมีความว่าท่านเป็นทูตที่รักของพระเวสสันดรผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้บรรณาการแก่ท่านเพื่อความเต็มแห่งอัธยาศัยชูชกบับพรวันนานาจบ